จเจริพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมวุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่าง จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมน้ำมันเติมพลังให้แก่ชีวิตเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ดีความสำเร็จนี้ย่อมเกิดขึ้นจากพลังธรรมคือคุณธรรมที่พระพุทธเจ้า ส่งสอนให้สร้างขึ้นมาให้เติมให้เต็มเพราะว่าเหมือนกับน้ำมันรถถ้าไม่มีน้ำมันรถรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าเติมน้ำมันให้เต็มถังก็จะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนและวิ่งไปได้ไกลชีวิตของเราทุกคนก็มีเป้าหมายมีความปรารถนากัน ทุกอย่างทุกคนก็อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตหรือไม่เชะนั้นก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ดีหรือเป็นปรธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายพลเป็นมหาเศรษฐี ต้องมีพลังขับเคลื่อนชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้จะมีพลังกับเคลื่อนพาเขาไปคนที่ไม่เป็นไม่ได้พบกับความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ไปถึงจุดหมายที่สูงสุดก็เพราะว่าไม่มีน้ำมันหรือพลังของธรรมะขับเคลื่อนจิตใจ ให้ไปสู่จุดหมายที่ต้องการจะไปได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวาทุกคนสามารถเป็นไปตามสิ่งที่ตนเองต้องการเป็นได้ทุกคนถ้ามีคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทราบ ให้ขับเคลื่อนชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันขึ้นมาเรียกว่าอิทธิบาทสอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางเดินรวมกันก็แปลว่าทางเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต พระพุทธเจ้าก็ต้องมีอิทธิบาสีพระอรหันตสาวกก็ต้องมีอิทธิบาสีพระราชาหมากษัตริย์มหาจักรพัทก็ต้องมีอิทธิบาสีประธานาธิปดีนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีอิทธิบาสีผู้ที่จบปริญญาตีโทเอกก็ต้องมีอิทธิบาสีถ้าขาดอิทธิบาสีแล้ว ก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่จุดนั้นได้เช่นคนที่เรียนไม่จบเรียนไม่จบปริญญาเรียนไม่จบมัธยมบางคนเรียนไม่จบชั้นประถมเพราะขาดอิทธิบาทสี่คนที่ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นพนาณาธิบดีไม่ได้เป็นมหาจากกักรพรรดิเพราะมีอิทธิบาทสี่ไม่มากพอ อาจจะมีแต่อาจจะไม่ถึงขั้นมหาจากักรพรรดิมหาราชาหรือประธานาธิบดีถ้าเราอยากจะได้ไปสู่จุดที่เราต้องการจะไปไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทางโลกก็อยากจะให้เจริญในลาบยศสรรเสริญสุขทางธรรมก็อยากจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ไปสู่มรรคผลนิพพานจุดหมายปลายทางเหล่านี้ต้องมีอิทธิบาทสี่เป็นผู้ขับเคลื่อนจิตใจไปอิทธิบาทสี่มีอะไรบ้างมีคุณธรรมสี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าฉันทะแปลว่าความยินดีข้อที่สองเรียกว่าวิริยะความอุตสาหาภาคเพียน ข้อที่สามเรียกว่าจิตตะคือการจดจอ่อและข้อที่สคือวิมังสาความคิดค่ายควรนี่คือคุณธรรมที่ต้องมีสประการด้วยกันถ้าอยากจะพบกับความสำเร็จข้อที่หนึ่งเรียกว่าฉันทะแปลว่าความยินดีคือเราต้องมีความยินดีกับภารกิจ การงานหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อที่จะพาให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการกระทำกันเช่นถ้าเป็นนักเรียนอยากจะเรียนสูงๆอยากจะได้ปริญญาก็ต้องมีความรักการเรียนยินดีชอบเรียนถ้าไม่ชอบเรียนแล้วจะไม่อยากจะเรียนจะขี้เกียจไปโรงเรียน จะไม่มีความขยันไม่มีวิริยะใจจะไม่จดจ่ออยู่กับการเรียนใจจะไม่คิดอยู่กับเรื่องของการเรียนถ้าไม่มีคุณธรรม4ประการนี้จะไม่สามารถเรียนไปสูงชั้นสูงสูงได้ดังนั้นข้อแรกนี้สำคัญมากคือฉันทะความพอใจหรือความยินดีหรือความรักความชอบ ก่อนที่เราจะชอบเรียนหนังสือเราต้องรู้ว่าผลที่เราได้รับจากการเรียนหนังสือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราเรียนหนังสือจบชั้นสูงๆจบชั้นปริญญาโอกาสที่เราจะทำมาหากินนี้ดีกว่าคนที่ไม่ได้จบมาทำมาหากินต้องมีวิชาความรู้ถึงจะสามารถ ทำมาหากินได้อย่างสะดวกได้ได้ผลอย่างมากมายถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็ต้องไปใช้แรงงานแทนแทนที่จะใช้ความรู้ก็ต้องใช้แรงงานเป็นผู้ทำงานออกแรงงานเช่นไปตัดหญ้าไปทําสวนไปเป็นคนรับใช้เพราะว่าไม่มีความรู้ที่จะไปทำงาน ที่สบายและมีรายได้สูงๆได้เพราะไม่มีความรู้คนที่มีรายได้สูงๆคนที่ทำงานสบายใช้ความคิดนี้เขาก็จบปริญญามากะทั้งนั้นถ้าปริญญาตรีก็ได้งานในระดับหนึ่งถ้าปริญญาโทก็ได้อีกระดับหนึ่งถ้าปริญญาเอกก็จะได้อีกระดับหนึ่ง ความรู้นี่แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราไปได้ผลที่เราต้องการคือลาบยศสรรเสริญสุดดังนั้นการที่เราจะเกิดความชอบเกิดความยินดีที่จะเรียนหนังสือเราก็ต้องรู้ผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้เรียนหนังสือได้จบชั้นสูงสูงพอเรารู้ว่า เราจะได้อย่างสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอย่างง่ายดายหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็จะทำให้เราชอบเรียนกันเหมือนกับคนที่แทงหวยแทงลอตเตอรี่เขาชอบแทงหวยแทงลอตเตอรี่เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าถ้าถูกเขาก็จะได้รางวัลได้เงินมามากๆเขาจึงยินดีที่จะเสียเงินซื้อหวย เพื่อที่หวังจะได้ผลตอบแทนถ้าถูกหวยฉันใดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนว่าเป็นผลที่เราต้องการหรือไม่ถ้าเป็นผลที่เราต้องการเราก็จะเกิดความยินดีเกิดฉันทะขึ้นมาแล้วพอเรามีฉันทะความขยันมันมาเองไม่ต้องผลักดันไม่ต้อง ดึงไม่ต้องล拉ไม่ต้องจูงเหมือนเด็กที่ชอบเล่นเกมนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันไปเล่นเกมความชอบคือฉันท์าชอบเล่นเกมพอชอบแล้วก็จะมีความเพียนจะไปเล่นเกมอยู่เรื่อยๆไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ไปใจก็จะจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมบางทีลืมกินข้าวกินปลาไปก็มีบางทีปวดฉี่ก็ยังไม่ยอมเข้าห้องน้า ก็<พ>ใจมันจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมความคิดก็จะคิดแต่เรื่องของการเล่นเกมเล่นเกมแบบนี้แล้วเบื่อก็หาเกมอย่างอื่นมาเล่นต่อความคิดก็จะคิดอยู่ ก, กับการเรื่องของการเล่นเกมแต่เรื่องของการเล่นเกมนี้ผลมันไม่ด <c iras> ีเพราะผลมันไม่มีประโยชน์คือ ม, มีแต่ผลเ <c oughs> ส <raspberry. S 3> ียเสียการเรียนถ้าเป็นนักเรียนไม่ไปโรงเรียน ถ้าเป็นคนทำงานก็เสียการงานไม่ไปทำงานก็จะตกงานเสียรายได้เมื่อไม่ทำงานก็ไม่มีรายได้เมื่ อ, อไม่เรียนหนังสือก็เรียนไม่จบเรียนไม่จบจะไปหางานทำก็หาไม่ได้รายได้ก็ไม่มีแล้วการเล่นเกมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายเสียเงินเสียทอง คนถ้าเราใช้ปัญญาคิดถึงผลที่เกิดจากการเล่นเกมก็จะไม่อยากเล่นจะไม่มีฉันทะถ้าไม่มีฉันทะก็จะไม่มีวิริยะความเพียรที่จะไปเล่นเกมเมื่อไม่มีวิริยะก็ใจก็จะไม่จดจอ่ออยู่กับเรื่องของการเล่นเกมความคิดความอ่านก็จะไม่ได้คิดไปเรื่องของการเล่นเกม นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาคือผลที่เราต้องการว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราอยากจะร่ำรวยเราอยากจะเจริญในาะลาภยศสารเสริญเราก็ต้องมีวิชาความรู้ถ้าเรายังเป็นเด็กเราก็ต้องรักเรียนใฝ่เรียนแล้วเราจะขยันไปโรงเรียน ใจเราจะจดจ่ออยู่กับการเรียนจะไม่สนใจเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรต่างๆใครจะมาชวนให้ไปทำอะไรอย่างอื่นก็จะไม่ไปแต่ถ้าใครมาชวนให้ไปเรียนพิเศษไปหาความรู้เพิ่มเติมจะไปทันทีใจจะคิดอยู่กับเรื่องของการเรียนถ้ามีอย่างนี้จะเรียนไปถึงชั้นปริญญาเอกก็เรียนได้ นี่คือเรื่องของการมีอิทธิบาสสีการที่จะมีอิทธิบาสสีเกิดขึ้นได้เราต้องรู้ถึงผลของงานที่เราทำกันถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่มีความยินดีที่จะทำเช่นเวลาเราไปทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะให้ค่าจ้างเรารู้เปล่า ไม่รู้ว่าเงินเดือนจะได้เท่าไหร่ใจเราก็จะไม่ค่อยอยากจะทำกันเพราะทำสิ้นเดือนแล้วเขาบอกว่าไม่มีค่าจา้างเราก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้าเรารู้ว่าทำงานแล้วจะได้เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็จะมีความขยันมีความรักงานจะไปแต่เช้ามืดเจะกลับแต่ค่ มีความขยันทำงานทั้งวันใจก็จดจ่ออยู่การงานไม่คิดที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วพอสิ้นเดือนก็จะได้เงินเดือนสูงๆหรือถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเองทำงานเองเราก็รู้ว่าถ้าเราทำมากรายได้ก็จะได้มากถ้าเราทำน้อยรายได้ก็จะได้น้อยเราก็จะทุ่มเท ชีวิตจิตใจทุ่มเทกำลังจิตกำลังใจให้กับการทำงานเพื่อที่เราจะได้มีรายได้มากๆในทางธรรมก็เหมือนกันคนที่อยากจะตายไปแล้วอยากจะไปสู่สุคติก็ต้องรู้ว่าการกระทำอะไรพาให้ไปสู่สุคติการจะไปสู่สุคติไปเป็นเทพนี่ ห ร, รหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องรักษาศีลห้าให้ได้แล้วต้องทำบุญทาทานถึงจะไปได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำบุญทาทานแล้ว ร, รักษาศีลห้าแล้วเราจะได้ไปสวรรค์ตายไปเราไม่ต้องไปอบายเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาที่จะหมั่นมาทำบุญทาทาน หมืนมารักษาศีลอยู่เรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าตายไปเราจะได้ไปสวรรค์กันไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกกันเราก็ต้องรู้งานที่เราทำการกระทาของเราว่าทำแล้วจะได้ผลอย่างไรถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรมเราก็ต้องทำใจให้สงบ ต้องหัดนั่งสมาธิวันพระต้องถือศีลแปลยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เป็นความสุขของมนุษย์และเทวดาถ้าอยากจะได้ความสุขของพงต้องเลิกหาความสุขของมนุษย์หาความสุขของเทวดาก็คือไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากการทาใจให้สงบเพราะเป็นความสุขที่ ดีกว่าเลิศกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรารู้ว่าผลเกิดจากการนั่งสมาธิจะทำให้เราได้อะไรเราก็จะอยากนั่งจะชอบนั่งแล้วเราก็จะได้ความสงบตายไปเราก็ได้เป็นคนถ้าเราอยากจะไปบรรลุเป็นพระอริยเจ้าไปมากผลนิพพานเราก็ต้อง จเจริญปัญญาหรือจเจริญวิปัสนานอกจากการทำบุญทำทานรักษาศีนั่งสมาธิแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงรักไปหลงชังว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเพราะไม่มีอะไรที่ถาวรทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีอะไรไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความโลภโกรธหนอง ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามก็คืออนาคามีขั้นที่สี่ก็คือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าไปถึงขั้นที่สี่ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเกิดขั้นที่สามก็ยังต้องกลับมาเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม ถ้าได้ขั้นที่สองก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินหนึ่งชาติถ้าได้ขั้นที่หนึ่งก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจชาตินี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาถ้าเราทำได้ ผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นมามรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาคนที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้มีอิทธิบาทสี่ทั้งนั้นมีความยินดีมีความชอบที่จะเข้าวัดชอบที่จะทำบุญชอบที่จะรักษาศีลชอบที่จะปฏิบัติธรรมกันนี่คือเรื่องของคุณธรรมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าให้หมั่นสร้างกันขึ้นมาเมื่อเรามีอิทธิบาทสี่แล้วสิ่งที่เราต้องการก็จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราพยายามช่างฉันทะความยินดีความพอใจในภารกิจการงานในหน้าที่การงานต่างๆ ที่จะนำพามาซึ่งผลที่เราปรารถนากันถ้าเรามีความชอบทาหน้าที่ทําภารกิจที่เราต้องทำเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรจะไม่เกียดคร้านใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับภารกิจการงานไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นความคิดของเราก็จะคิดอยู่กับเรื่องการทำงานทาภารกิจของเรา ทำอย่างนี้แล้วไม่นานความสําเร็จก็จะเป็นผลที่ตามมาจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างปิติบาสี่นี้กันขึ้นมาฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาด้วยการนึกถึงผลที่เราต้องการกันเช่นราบยศสรรเสริญสุขหรือมรรคผลนิพพานที่เป็นผลอันเลิศทั้งของทางโลกและทั้งของทางธรรม ททางโลกก็คือลาบยศสารเสริมสุดทางธรรมก็คือมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีฉันทะความยินดีที่จะทำหน้าที่ของเราทำภารกิจของเรามีวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีใจที่จดจ่ออยู่กับการทำภารกิจมีความคิดที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจคิดว่าจะทำอย่างไรให้มันดีกว่านี้ ให้มันได้มากกว่านี้ให้มันได้สาเร็จเร็วกว่านี้ถ้ามีความคิดเหล่านี้มีอิทธิบาสีเราจะมีพลังขับเคลื่อนชีวิตจิตใจของเราให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะไปได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิบาสีพระอรหันตสาวลกทั้งหลายก็ใช้อิทธิบาสีพระราชาหมากริยัก็ใช้อิทธิบาสี ปรธานาธิปดีนายกรรมนตรีมหาเศรษฐีก็ใช้ปิธิบาทสีถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิพจิารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสำเร็จในชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา